ไปครับหน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าอุโบสวิธีครับหน้อหกสิบห้าปัตตาวาครับข้อยี่สิบเอ็ดพิสุพึงครอบครองอดีเลมาบาที่ไม่ได้พีถานหรือวิกับได้ตลอดสิบวันเป็นอย่างมากเมื่อครอบครองเกินสิบวัน ต้องอานแบบปาจิตีที่มีการไม่ยศระเป็นวินัยกรรมครับวข้อนี้ไม่อย่างนะเมื่อการเก็บวินจีวรใช่ไหมครับนะคือจีวรที่ไม่ได้ฐานไม่ได้ี่กลับบาสนี้ก็เหมือนกันนะที่ไม่ได้ฐานไม่ได้พิกลเหมนกครับแก็งไว้เกินสิงวันก็ต้องบ่านวิสเปาิตีแต่ที่ชื่อว่าจะเป็นบาได้เนี่ยต้องมีการระบบนะครับระบมเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วนะนี่ชื่อว่าเป็นบาที่ัวทติด นะครับถ้าเราไม่ได้อธิษฐานและเกินสิบวันทีงจะต้องอาบัติแต่ถ้าเป็นบายเมืเ่อระบมมาเลยนะอันนี้ก็ยังไม่จับว่าเป็นบาสนะครับเย่งถือว่าเป็นภาชนะอยู่ถ้าเราเก็บไว้เกินสิบวันก็จะไม่โดน ข, อขอ้อดีครับข้อนี้ว่าเป็นภาชนะนะอันนี้นครับอีต้องอธิษฐานมีนเข้คำอธิษฐานบายนะอีมังปัตตังอธิษฐานมิคำอธิษฐานนะ แล้วก็ขนาดด้วยนะรับจะมีผู้ถึงขนาดของบาทอย่างใหญ่อย่างกางอย่างเล็กนะครับอย่างใหญ่ขนาดไหนอย่างเล็กสุดขนาดไห น, นครับเขาะ่อแบ่งมันเป็นบาทเก้าบาป ท, ที่ใหญ่ที่สุด ก, ก็ใช้ไม่ได้เพื่อทิษฐาเป็นบาททัาปไม่ขึ้นนะครับที่เล็กที่สุด ก, ก็ใช้ไม่ได้ทิฏฐาไม่ขึ้นนะครับมันก็ใช้ได้แต่เตรียมภาชนะนะที่หลวงพิธกรเขาจะมาลองกันเนี่ยเอาข้าวสาลีมาหุงแล้วก็แส่เป็ิบาปนะครับ ก็จะรู้ว่าบานั้นมันเป็นบาขนาดไหนนะในที่นี้นะครับท่านจะบอกวิธีนะครับที่แจกชีชนะชีอะไรอยที่เป็นตางนะครับอันนี้อธิบายเกี่ยวบขนาดนิดาวชมาวัดเข้าสารีกิจนขนาคินานี่นะดิจะาที่บายนจบตามหักนะครับนี้มาดูต้นมันใหญ่ตรอว่ามาสั้นไม่พระจักรพิธีนะครับเรื่องตรงนี้น่าสนใจมากนะมันเกี่ยวกับชีวิต ของสมนะที่ควรจะสำเนียยใส่ใจให้ดีเกี่ยวกับการใช้บริหารนะครับว่าเราเนี่ยทำอยู่พระสัพพะคีหรือเปล่านะลองดูนะครับอ่าน่าเก้ตตาร้อยแปดสสี่ครับปตมวัติสิทัาน์ทที่หนึ่งเรื่องพระสัพกะคีโดยสมัยนะั้นเม พ, พระภาพุทธเจ้าประทําอยู่ณท่าเชตะวันอารามของนานฐานบิกากห้ามบารีเขตพระนครสามเวที ครั้งนั้นพระเจ้าพุทีสั่งสมบาตไว้เป็นอันมากเพราะมันมีข้อหนึ่งใช้ข้อนี้ผมลืมไข้อใช้คือขาอน3ะ ส, สมบัติให้เป็นอันมากนะครับชาวบ้ า, ทานทางกันเที่ยวชมมีหารเห็นแล้วทางกันแก่งเท่าดิฉันพุนพนทธนาว่าฉะนั้นสัมมาสัมพุทธเจ้าปัสกียบุตรจึงได้สั่งสมบาตไว้เป็นอันมากถ้าจะทําการขายบาตรหรือจะตั้งร้านขายคาชนะดินเผาเห็นแล้วก็แก่งโถ่อย น, นะ เข่ยนมเยอะก็หลายใบนครับกรณีบ า, ะะออบาเราพิานเป็นบ่านด้แค่ายเดียวนะที่เดียวก็จะเป็นอดีเลนบ่าไปนะครับจะต้องเขียนได้ได้สิบวันเป็นมากตัวทั่วหลายะะแล้วก็เพ่งที่มีเพริมุถานาและก็กาดุนิสาทรงทราบพุทโธปุชงทรงทรงเสางท้าทร ง, ง, ง, ง, ง, งสุเียนแลวก็มีสิทธามุน้ขึ้นมาครั้งแรกนี้ไม่ได้เลยนะไม่มีสิบันอะไระครับมีแต่ว่าอันหนึ่งพิสูจนได้ทรงอดีเลนบาเป็นนิสสกิยาปาสิติี แต่ที่ผมพูดมมาในเคสเกี่ยวกับการใช้บริการของพระเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องนี้นะครับสิ่งเรื่องหนึ่งนะเรื่องข้อต่อไปนะครับที่ว่าก็าจะบางทีไปขอบาตรเขาเยอะคะออรับเขาอาวนาท่านนะก็เลยขอกันใหญ่เลยลูกที่มีบาตรเล็กก็ต้องการบาตรใหญ่ลูกที่มีบาตรใหญ่ก็ต้องการบาตรเล็ก น, นะครับขอกันใหญ่เลยนะจนโยมปอนางลำบาตไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะครับ มัวแต่ปั้ง บ, าาบา่าสมายผ้าอยู่แหละนะโอ้ยนะครับนั่นน่ะมันีต้องดูให้ดีเวลาผ้าเราใช้บริการ น, นะนะครับบางคนมีบา่าอะไรนะมีบา่าสแตงเลยต้องการบา่าเลยมีบ่าแหลกต้องการบ่าสแตงเลยบางคนมีบา่าเกาา้างนี้ต้องการแปดนี้มีบ่าแปดนี้ต้องการเก้างนี้นะครับเปลี่ยนกันนะบัวมันไม่กีภ่ภาษาเราเปลี่ยนบาามัุรู้กี่ใบนะครับนั่นแหละแล้วก็เราบมแล้วเราบองผนะนะ พอเราบอมไม่สวยก็สั่งเอาใหม่นะครับเไม่สืวยก็สั่งใหม่นะโอ้ยอย่างงี้นะมันมันฟุ่งเปือยนะครับถ้ามันเกิดความจําเป็นนะมันไม่ควรจะมาหน้ารับที่จะทำอย<น>่าง น, นี้นะครับเนี่ยถ้าคนนี้ยันได้พิจารณาความจำเป็นใช่ครับถ้ามันจําเป็นมันต้องเปเลี่ยนก็ได้เอาบานแป้นนี่มันเล็กไปมันใช้ไม่สะดวอะไรนะครับต้องดูความจำเป็นจริง น, นะครับไม่ใช่ว่าเขาอ้านนะเพราะมันทิ้งพวกใช้บาปแต่ละยอยู่ดียังได้บาปเล็กขึ้นมานะครับ พอใช้เวทสภาโอ๊ยน่ะไม่ไหมายก็จะเอาบาสนสแตนเลยเหมือนเดิม น, นะครับมาเปลี่ยนไปเปลีป่ยนมามันทีมาขอเบอร์บานในห้องคลัง น, นะแล้วบอกว่าจะขอไประบมถ้ามออกมาดีก็จะเอาถ้าไอกมาไม่ดีก็จะอามาคืนถ้าออมาไม่ดีจะเอามาคื น, อ, าาคนอ๋อแล้วก็นนะครับอย่างนั้นนไม่ได้นะไม่ไม่สนน่งผลกับท่านในเราครับต้อง ใส่ใจความจำเป็นแล้วก็ทําไปะครับต่อไปเรื่องพระอ น, นะะุนครับก็ในสมัยนั้นแหละอดีตอดิเลกบาทเกิดขึ้นแก่ท่านพระอานนุ์มีอยู่และท่านประสงค์จะถวายบาทนั้นแก่ท่านพระสานาีบุตรแต่ท่านพระสานาิบุตรอยู่ถึงเมืองสาเกตท่านพระอานนุ์จึงมีความปริ้นที่ตกว่พาพระพุทธเจ้าทรงมีสิกาบทไว้ว่าที่สุไม่พึงทรงอดีอเล็กาลบาทบังเกิดแก่เรา แล้วเราก็ใคร่จะถวายแกท่านพระสารีบุตรแต่ท่านอยู่ถึงเมืองสาเกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอครั้งแล้วท่านพระอนนท์ได้กล่าวเรื่องนั้นแบบนี้มาฟังจ้าพระองค์ก็ตายว่าดีกว่าอานนท์ยังอีกนาเท่าไรสารีบุตรจึงจะกลับมาท่านจะกลับมาในวันที่เก้าหรือวันที่สิบพระพุทธเจ้าข้าแล้วพระองค์ก็สอนเมื่อันหยักขึ้นมาว่าอานะเก็บนี้ในบาสไม่ได้สิบวันกันอย่างนิ่งค ไม่ึ้นมต่อไปนะครับทีนี้มาดูคำาัพท์เป็นยไลในกนางคณีตก็ได้นะครับหน้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับปัจวัตที่สามอธิบายปะะัาจิตขาบทคือสร้างอธิบายสิขาบทที่หนึ่งแห่งปัจวัตต่อไปชื่อว่าอดีตบาคือบาทที่ไม่ได้อธิคาาไม่ได้วิกับ ก็บาสนั้นได้ขนาดของบาสอย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>บรรดาบานขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดกลางขนาดแล็กสุดขนาดของบานะที่เมื่อพระเจ้าตัดไว้แล้วโดยนายเป็นต้นว่าพอจุข้าสุขได้ครึ่งอ า, า, ารักขาในเรื่องบาสนั้นมีอธาาิบายดังต่อไปนี้ครับเ<ม>พิ่งเอาข้าวสารของข้าวสารีเก่าเนี่ยที่เขาไปหาข้าวสารีมานะเพื่อะทดลองบา ก็ต้องบอกว่าข้าวสาดีด้วยนะครับไม่เอาข้าวธรรมดาทั่วไปนะอันก็เลยเอาตังนี้นะครับซึ่งเก่งไม่แรนตีไม่ถักนะครับซ้อมบริสุทธิ์ดีแล้วนะครับมาเลยสองธนามาสองธนาสองธนามะขอดนะครับหงให้สุกนะครับถ้าบอกว่าทนมือคนดูไ่ดีนถ้าบอกว่ามันใช้สามารถโทรนะแต่ใช้สามารถปัด ปัดฐาที่แปลว่าไล่แต่แต่เขามาแปลว่าพนาเนอะสองพนาเฉยไม่รู้กันครับแต่ความจริงไม่เป็นพนาเขาดับนดึสับตนถรู้แบบโอ้ยสองทนาจริงสองนาจริงมันมันใช่นคนี้นะเขาพนาจริงครับ่าเลยถ้าเวมาพัฒนาไดโยเลยนะ บอกว่าสองธนาแล้กวก็นานานี่มันอย่โทนะนะครับใช่ใช่แถสมานานีนะครับแต่เข้าไปองก่อนว่าธนาตอนนีงเป็นนานานีนะนานี่ไม่ใช่โทนะนะครับถ้าโทน่ามันจะเยอะกว่านะเป็นธนาธนาจะเยอะกว่าถนานาลินก็จะน้อยกว่านะครับแต่ท่านแปองก่อนนั้นให้รู้ว่านะครับนธนาแล้วก็รู้ว่าธนาคือนานีนะทีนี้ หงให้สุกด้วยข้าวสารเหล่านั้นไม่เช่ดนะคืออะไรไม่ลิ้นหน้ออกใช่ไหมใส่หน้าเป็นพอดีนะครับไม่เป็นข้าวท้องแรงข้าวท้องแรงก็คือข้าวที่ข้าวที่มันสุกไม่ทั่วถึงนะครับท้องแรนคือสุกไม่ทั่วนะครับตรงกลางหรือว่าข้างในยังขาดขุนอยู่ครับยุ่ท้องแรงสุกไม่ทั่ว ไม่แฉะด้วยนะครับไม่แฉะไม่เป็นก้อนนะสลัดสวยดีนะครับผุงออกมาสวยดีเลยเหมือนกับกองดอกมะลิตูมในหม้อนะครับแล้วใส่ในบาทให้หมดนะไอสองพนาถุงมาแล้วอย่างดีกนะครับใส่เข้าไปในบาทหมดเลยเครื่องแกงถั่วที่ปรุงด้วยเครื่องปรุงหลายอย่างไม่ข้นักไอแกงถั่วนี้ไม่ได้หมายเอาถั่วฝักยาวไปแกงนั้นนะครับ ข้าวทั่งเหลืองเลยนะครับไปต้มนะไปต้มออกมานะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเอาปรุงเข้าไปตอนที่ผมอยู่ท่าโมกก็ยังได้เห็นข้าวทามนะคมีโยมเข้ามาเข้ามาอยู่นั่นนะก็มาทำอาหารเข้ามาก็จะมีไก่ทุ่งนครับนีเลยทุ่นเหลืองน่าจะครับข้าวทุ่งเหลืองต้มนะครับแล้วก็มาใส่เครื่องเค้าอันนี้ไม่ข้นนักไม่เหนียวนัพอมือหยิบเอาได้ครับมีเลย ลงไปใส่เข้าไปนะอีกนะอประมาณเท่าส่วนที่สีของข้าวสุกนะครับหมายความว่าเราแบ่งข้าวสุกเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วก็ใส่แกงกเข้าไปเนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนของสี่ส่วนนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าหนึ่งส่วนสี่นะมันก็คือหนึ่งที่มันเท่ากับหนึ่งของสี่นี้นะครับแล้วไปเลยนะครับจากนั้นก็เพิ่มกับข้าวมีปลาเนื้อนะเป็นต้นนะครับลงไป พอสมควรกับคําข้าวเป็นคำขังนะครับพอนีคำข้าวเป็นคงคําไปจงเพียงพอกับคําข้าวอย่างยิ่งส่วนเนยใสน้ํามันลดเปียงและน้ําข้าวเป็นต้นไม่ควรนํามาหนักนะครับพ่อเป็นน้ำมันก็เป็นซึมอยู่กับข้าวใช่ไหมเพราะของเหล่านั้นจัดอยู่ในประเภทของข้าวสดนั้นเองนะครับพ่อเป็นน้ำซึมนื่องต้อถือว่าเป็นข้าวหละอันนี้เขาใส่ลงไปหน้าในหมานั้นนะครับ ถ้าไม่สามารถจะทําให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไดนะ้มันเต็มพอนี้พอดีเลยครับอาหารที่มันจุ่ลงไปแม้ทั้งหมดถ้าตั้งอยู่เสมอแนวล่างแห่งขอบปาดปาสมัยนี้เขาไม่ยอมทําขอบใบบาดไม่มีขอบเนี่ยไมาที่พับงลงรอยพับนะครับขอบล่างตรงรายพับนะเสมอนั่เลยนะครับเมื่อเอาเส้นหน้าหรือไม้ที่ปานไปนะครับ เส้นได้หรือไม้สิ่นะ้ถูกที่สุดใต้อ่าข้าวนะครับอาหารนะถูกที่สุดใต้เส้นได้หรือไมนะ้สิ่นั้นบานนี้ชื่อว่าบาสขนาดใหญ่อย่างการนะครับออพอดีเลยนะ อ, นอเนะมื่อก่อนธรรมดานรก็ต้องพับไม่รู้เหมือนกันนะครับรบาสนี้ขอบบาสนี้ขอบขนาดอ็บานนี้ บ้านเหลก็มีค่าจ้ะครับานรครับถ้าบานนไม่มีครับเป็น้านนี้ก็คงจะไม่มีไหครับัปลกนะครับของปากหาครับถ้าม้นก็ม่มีใช่ไครับีแต่ของมีะอครับม่ยังมีว่าเนียตั้งอยู่เสมอแนวล่าแห่งของฝากบ้าน เออนะมันไ่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีขอบทําลงมาพอบอกว่าเหมือน่าเต็มพอดีนะพอไม้ป่ามันก็ยังโดนเนี่ยเข้าครับถ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่โดนใช่ไหมครัเราป่าดที่ข้คงต่างเพราะมันไปอยู่ตรงขอบล่างนั้นนะเนี่ยแสดงว่ามันนะครับจะไม่มีอย่างนั้นนะบาว น, นี้ชื่อว่าบ่านขนาดใหญ่อย่างตา่างนะครับถ้าของในบ่านั้นพูนเป็นจองเลยขอบปากบ่านั้นขึ้นมา พ่อบาบมนแรกใช่ไหมพราะส่อาหารเท่ากันนะครับมันพูนขึ้นมามันจอมปวกเลยบานนี้ชื่อว่าบาบขนาดใหญ่อย่างเลกนะครับถ้าของในบาบนั้นยังไม่ถึงแนวขอบปากบาบนะครับไม่ถึงตรงขอบปากบานเลยเพราะว่าบานใหญ่นะครับพ้าองอยู่ข้างในนั้นบานนี้ชื่อว่าบาบขนาดใหญ่อย่างให ญ, ใหญ่ได้สามขนาดนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่หญาห ใหญอย่างเล็กนะครับขนาดแล็กครับแล้วก็บาตที่มีขนาดเคลื่อนหนึ่งของบาตขนาดใหญ่อย่างกลางชื่อว่าบาตขนาดกางครับความจริงท่านบอกมาอย่างนี้นะถ้าเป็นบาตขนานกลางก็ลดข้าวลงครับเหลือแค่หนึ่งขนาดนนครับแล้วก็เป็นคําอย่างเมื่อกี้ทุกอย่างนะเป็นหุงไปใส่แกงถั่วแกงอะไรอย่างมันกี้นะครับแต่เอาข่าลงแค่เหลือแค่ขนาดเดียวนาฬีเดียวนะ มันก็เหมือนกันนะครับถ้าข้าวสุดนั้นเสมอขอปากบาทก็ชื่อว่ากลางย่างกลางใช่ไหมครับถ้าข้าวถ้าอาหารนั้นมันพูนเป็นจอมปวกขึ้นมาชื่อว่าขนาดกลางย่างอย่างเล็กนะครับถ้าอะไรล่ะมันอาหารพ่องอยู่แต่ข้างในไม่ถึงขอบปากบาทเลยชื่อว่ากลางย่างกลางย่างใหญ่ไหมครับแม้บาทขนาดเล็กนี่ก็เหมือนกัน บาตขนาดเล็กก็จะเพิ่มอันรอบค่าลงหรือแค่ครึ่งขนาดนะครับและมิธีนับคนเหมือนกันมันก็จะมีเล็กใหญ่ใหญ่และกย่างกาลกางเล็กใหญ่เล็กนะครับแล้วก็จะได้บาตรเก้าใบนะครับนั่นก็บอกว่าบาตรที่ได้ขนาดครึ่งหนึ่งจากบาตรขนาดกล า, นะางนะครับใหญ่กลางจดเป็นบาตรขนาดเล็กนะครับเพึ่งสร้างความต่างกันแห่งบาตรเหล่านั้นโดยในดังกล่าวนี้แหลในมรดาบาตรเก้าอย่างเหล่านี้นะครับ ตั้งแต่ใหญ่อย่างใหญ่สุดอู่นจถึงเล็กอย่างเล็กนะครับบาสองประเภท ค, คือบาขนาดใหญ่สุดอย่างใหญ่นี่นะครับและขนาดเล็กสุดแลกอย่างเล็กอันนี้ไม่จัดเป็นบานะครับนำมาทิฐานเป็นบาไม่ได้นะครับบาเจะประเภทที่เหลือนะตั้งแต่ใหญ่อย่างกลางใช่ไหมครับมาถึงเล็กอย่างกลางเนี่ยนะจัดเป็นบา ท, ที่ได้ขนาดเพื่อการทิฐานเป็นบา ที่ก่าวมานี้เป็นเพียงกล่าวไว้โดยยอดเท่านั้นส่วนรายละเอียดได้กล่าวไปแล้วในเะอกสารพระวินยัยชื่อสมดดาภาษาจีนทีนี้ก็เราก็จะมาดูกันนะครับว่าหนึ่งธ น, น, น, น, น, นะ น, นามันเท่เท่าไหรมาดูในชี้เนี่ยนะหนึ่งธนาเท่ากับเท่าไรว่ามีหลายมิติเยอะแยกมากปักหาและนาลีธนา ตา้ข้อสรุปจากบุคคลสิกขาบรรนาธิมเมื่อพศ2545หน้า538นะครับอันนี้หลงพี่สีเนี่ยที่ทวัดโพธิ์ธรรมพระสรุปมาได้แปดในดังนี้นะครับตารางแรกคือหนึ่งคำพีต่างๆนะไอ้ที่สองคือวัดโดยนะครับน้ําหนันหกกราฟิกมือต่ออัตรานะเมื่อคตรนานนครับในที่หนึ่งมาจากอพิธาน ควเพียรพิธายกับชีพิกาเขาจะมีสองในพิทายในแรกหมอพิทางก่อนว่าดูน้ําหนักนะครับนาหนึ่งธนาเนี่ยนาลีมค้นนะครับก็ได้สี 1, ่ตำลึงสามบาทสองสลึงหนึ่งไพเรามาดูนะครับว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ไอ้สี่ตำลึงสามบาทสองสลึงหนึ่งไพเนี 3, ่ยมาดูตรงข้างล่างนะครับ ตอนพี่ว่าคำนวณน้ำหนักตามมติของอาจารย์เกิดตรงนั้นนะครับอาจารย์เกิดเป็นพระเถระที่แต่งคำพินิ้นะครับคุณครับสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำหนึงนะครับสี่บาทหนึ่งตำหนึงหนึ่งบาทเท่ากับสิบห้าก่ำเนี่ยเราเลยชื่ออกมาเป็นกรำมมันจะได้รู้ใช่ไหมครับแต่ภายนี่ยังไม่รู้งงสงสัยอยู่นะครับสงัยอยู่ทีนี้เมื่อกี้บอกว่าสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำหนึงใช่ไหมครับ สี่ตำลึงเท่ากับสี่กี่บาทครับหนึ่งตำลึงเท่ากับสี่บาทถ้าสี่ตำลึงเท่ากับเท่าไหร่นครับสี่สิบหกบาทนะครับเนี่ยมันสิบหกบาทแล้วใช่ไหมสี่ตำนึงเนี่ยบวกกับอีกสามบาทนะครับก็เป็นสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งบาทได้สิบห้ากรัมนะครับสิบเก้าบาทเนี่ยได้กี่กรัมครับตองคิดดูครับเอาใครคิดเก่ง หเท่ากับสิบห้า้าสิบเก้า 15, 5, 19, จะเท่ากับกี่กรัมสองแปดสิบห้าก ร, รมัมนถูกต้องนะครับอันนี้สองแปดสิบห้าก ร, รมัมแลวก็สองสลิงอีกนะครับคือหนึ่งบาทเนี่ยมันมีสี่สลิงใช่ม น, นี่หนึ่งบาทมีสิบห้าก ร, รมัมสองสลึงก็คือเครื่งบาทใช่ไ้มครับเจ็ดจุดห้าใช่ครับเจ็ดจุดห้านะครับ 7, 5, 5, เจ็ดจุดห้านี่ผไปคิดว่าได้เจ็ดจุดเเจ็ดจุดห้าใช่ไหมครับนี่นะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่แล้วนะสองแปดสิบห้านะครับไปบวกกับอีกเจ็ดครัสองร้อเก้าสิบสองจุดห้ากนี่นะนี่นะครับได้แนละ้วไอ้ภายนี้ไม่รู้ <c oughs> น, <c oughs> นคะครับอันนี้ต่อไปนะครับอาศวอภิธานในที่สอง ว่าด้วยน้ำหนักนะครับหนักหนึ่งชั่งนะครับสิบเก้าตำลึงหนึ่งสลึงนะัหนึ่งชั่งนี่เท่ากับยี่สิบตำลึง น, นะครับโอ้โหนะ น, นี่สิบเก้าตำลึงนต้องน้างเป็นบ่ายเล้เนี่ยบได้แปดสิบบาทครั บ, บ, รบและบวกกับสิบเก้านะครับเอายี่สิบบวกสิบเก้าได้สาสก้าใช่ไหม สาิบ้านคะครับคูณด้วยสี่ใช่ไหมครับสามสิ้าคูณด้วยสี่เท่าไหร่ครับลองคิดนะสามสิบเ้าคูณด้วยสี่ครับร้อยห้าสิบหกนะครับและเราเอาร้อยห้าสิบหกเนี่ยไปคูณสิบห้าจะได้กี่ตคัครับร้6ยห้าสิบหกไปคูณสิบห้าครับสองพันสามร้อยสี่สิบสามจุดห้านะครับ เก่งไหมฮะสองพันสามสี่สิบไม่ใช่ใช่มออสองันสามสี่สิบนะครับอันนี้นะอันนี้เขาเข้ามาตีใหม่เข้าเข้าเข้าอะไรนะนะครับเข้าไผ่ก็ไปด้วยอี่านี่ครับสองพันสามรอยสี่สิบนะครับอ๋อใช่ใช่ไปบวกอหนึ่งเสนอนะครับอันหนึ่งเสนก็คือนะครับ ก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ของบาทใช่ไหมหนึ่งบาทมีสิบห้ากัมครับเราสิบห้าหารสี่ครับอ่าสิบห้าหารสี่ครับสามจุดเรื่องสามสิบห้าสามเจ็ดห้าใช่ไหมสามเจ็ดห้า ตามเฉ่มันก็จะได้นะครับสองพันสามร้อยสี่จุดสามจุดเจ็ดห้ารือจะตีเป็นจุดห้าอะไรก็ได้นลครับไม่ขึ้นมานะอย่างนี้นะครับเนี่ยนะนันที่สองนี่ยเยอะนะครับต่างก็ริบล้ำเลยนะมันเป็นเกียร์สองร้อยเก้าสิบสองจุดเจ็ดใช่ไหมกลมนันที่สองเป็นตั้งสองพันหร่างกันมากเลย ต่อไปในที่สามมนจากธรรมบีสังขยาประกาศสังกัดนะครับบอกว่านกเก้าตำลึงสามบาทสองแนะครับเก้าตำลึงเนี่ยมันได้กี่บาทนะครับก็ก้าไปคูณสี่นะเก้าสี่สามสิบหกใช่ไหมครับนี้นะทีนี้มันสามสิบหกบาทครับบวกไปอีกสามบาทนะสามสิบเก้าบาทนะครับ ส9บเก้าบาทไปคูณด right mm ้วยสิบ <quier> ห <risks> yeah. <rat> ้าเงาเขาบอกไา้แล้วใช่ไหมนครับสามสิบเก้าคูณสิบห้าได้ห้าร้อยแปดสิบห้าเงาครับต่อไปท้องต่สบายหน่อยนะนะครับน้องเป็นกำมือไหสี่อาจารย์ธรรมปาลเทราเขาจบอกว่าอันนี้รอดูกำมือนะครับ หนึ่งธนาเนี่ยเท่ากับนะครับยี่สิบเอ็ดกมือกับหนึ่งส่วนสามกมือนะครับคือไม่ถึงยี่บสองนะไออันที่ยี่บสองนะครับเราหนึ่งกมือเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนใช่ไหมเอาแค่หนึ่งในส่วนสามกมือนะครับก็เลยบอกว่าเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งส่วนสามกมืนห้าคพีสระษะจิปณีนะครับบอกว่า ยี่สิี่กมือครับไม่เหมือนกันเลยหกคำพิสาัลถานในที่สองเนี่ยบอกว่าเราสามสองกมือส่วนวิมมันติมิโนท่านีนี่ครับห น, นักานานมาเพื่อนเลยห้องสี่กมือเลยนละครับโ อ, อ้โหเฮ้ยเาเนอะไรนครับเราแปลสังขยาประกาศอีกในหนึ่งกมันมีกหนึ่งบอกว่าอันนี้หกกมือ กับอีกเศษสองส่วนสามกำมือนะครับก็กำมือเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนใช่ไหมก็สองส่วนของสามนะครับโอ้ยต่างกันนิดนึงเลยนะอันนี้มาดูข้อสรุปของท่านนะว่าเอาไงอาจารย์เกิดอมราโลสรุปว่าควรจะถือเอาถือว่าเข้าสามปัจจห1นหนึ่งะพอสำหรับบุตรกินอิ่นคนหนึ่งนะคือปัจจห1หนึ่งนะครับ มันเท่ากับครึ่ง น, นาฬิการนะครับปัจจัหนึ่งนะถ้าครึ่ง น, นาฬิการ์มะนะครับค่าสุกแห่งข้าวสารนานิาร์หนึ่งนะครับพอสำหรับบุตรสองคนกินอิ่นะเพราะว่า ค, นนาน ค, ครึ่งธนาคนหนึ่งกินอิ่มใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่หนึ่งธนาก็สองคนกินอิ่มพอีเลยค่าสุกแห่งข้าวสารสองนาฬิร์พอสำหรับบุตรสี่คนกินอิ่นี่แหละเป็นลักษณะ ส, สมกับใน แม้แต่กรหาแห่งเวรัญชกันนะครับท่านอาจารย์เกิดดูจะพอใจคตินี้คือหนึ่งข้าสาน้ําหนักเก้าตำหนึ่งสามบาทสองไผ่พอสําหรับคนหนึ่งครับคือเท่ากับเท่ากับหนึ่งปัตถาหรือว่าครึ่งนานหรือมะขมนี่มันก้อนไนเท่าไหร่ล่ะในสัรพยาประจำสกังนไนที่สามใช่ไหมครับห้า้อยปดสิบห้ากรัมอันนี้บอกว่าแค่ครึ่งธนานของของอาจารย์เกิดนะครับ บอกว่าขึ้นธนาเนี่ยห้าร้อแปดสิบห้ากัมขึ้นธนามันท้านธนาคือห้าร้อแปดห้าคูณสองครับได้เท่าไรครับห้าร้อยแปดสิบห้าคูณสองท่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับเนี่ยนะถ้ากับ1 1 7นหนึ่งร้ยเจ็สิบกัมเนี่ยนะครับ มันจะพอสําหรับคนกินสองคนอิ่มนะก็ถึงว่ายละกับหนึ่งนาฬิมาครบรีถ้าตวงด้วยมือก็จยได้ยี่สี่กมู น, นะครับแต่กินสองคนอิ่ห น, นึ่งนาฬีกเพราะฉะนั้นไอ้ในที่ว่าอในน่ะในที่สามเป็นในที่ห้าเนี่ยก็จะลงกันนะครับจังเกิดก็จะพอใจมรตินี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะ ไปนะี้รัครับอันนี้เขาบองว่าที่สูดได้บานเหล็กหรือบานดินเหนียวที่ได้ขนาดทิฏฐาระบบให้สมควรกกบสมนาะอย่างนี้แล้วบานเหล็กต้องระบมห้าไนะครนะับนะห้าไปบานดินต้องระบมสองไปก็พอใช้ได้นะครับถ้าเราบมหย่อนกว่านี้แม้ไฟนิวใช้ไม่ได้นะได้ครบเลยนะครับแต่ว่า ในดีการสรธรรมทิปนีนะก็บอกว่าที่นั่นบอกว่าตั้งระบมห้าไฟนะหรือระบมสองไฟนะเพราะมันจะเป็นของที่ดำได้ด้วยการระบมเท่านี้นะครับแต่ถ้าระบมหย่อนตัวนี้นะแล้วดำนะก็ถือว่าใช้ด่านกัน น, นั่นเป็นเมื่อสีดีกานะครับถ้าจะเอาตามในกระถางคือไฟอะไรนะาบาเร็กห้าไฟคือห้าไฟบาลดินสองไฟคือสองไฟะครับเพราะบอกว่าระบมหย่อนแม้คือไฟเลยก็ยังไม่ได้ หรือว่านะครับยังไม่ได้จา่ายคูณค่าแม้เพียงการการันนิดหนึ่งก็ไม่ควรนครับกา ร, การ์กันนิดเนี่ยเป็นเงินตามข้อขที่แบบมันต่ำที่สุดนะว่าจะว่าเป็นสเสนอไปอะไรกันเลยนะครับเนะี่ยแม้ยังไม่ไจ่ายแค่เสนอเดียเนะี่ยก็ทิฐิฐานไม่ขึ้น ย, ยังไม่ได้นะครับนะเพราะว่าอะไรยังไม่ถือว่าเป็นของเราเต็มที่ใช่ไหมมันต้องจา่ายราคาสมบูรณ์ร้อยอันนี้ถ้าพูดต่อว่า ท่านเจ้าของบาทกล่าวว่าท่านจงให้เวลาท่านมีมูล ค, ค่าจงอธิษฐานใช้สอยเถอดนะเจ้าของบอกง่าย น, นะอ้าวมันพี่ไม่เป็นไรหรอกมันพี่มีเท่าไหร่เข้มาให้ก็แล้วกันนะเรายังเหลือใช่ไหมครับเอาไปใช้ไปอธิษฐานไถินะครับอย่างนี้ก็ยังไม่กลัวอธิษฐานแทนนะครับคือ เ, เจ้าขออนุญาตแล้วเพราะว่ายังไม่ถึงการนับว่าเป็นบาปเพราะการระบบยังย่งยอมอยู่นะครับยังไม่ถึงความเป็นบาปของตน ยังเป็นของผู้อื่นอยู่ทีเดียวข้อมูลค่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งยังไม่ได้ให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระบมคลัวนี้ไม่มีปัญหาหรอนะที่ว่าอายยังไม่จ่ายไม่หมดใช่ไหมก็โยกข้อสว่งางนะต่อไปนะครับคือว่าระบมนะเรียบร้อยนะครับวิธีระบมบานนะเอาพรู้กันนะใช่ไหมครับวิธีระบมบานแล้วก็ระบมมาหลายในนะที่มีระบมอยังไงนไม่ได้ไ รีฟลอมน้ำมันงาใช่ครับอะไรบาคีเหล็กก็ได้บาที่เราเสกแก้วหวานข้างร่ครับมันได้ออกมาเป็นแสายสีสวยนะครับใช่มนะนะครับมือสีก็ใส่มาครับแต่ตอนนี้อุปกรณ์เยอะนะที่นี่มันจะมีอะไรนะเข้าทําเป็นอี่วานที่เป็นตะแกรงใช่ไหมครับทําวแล้วก็บากใส่เข้าไปแล้วก็คุมด้วยปี๊ มันเป็นป em ี๊ดมันเป็นถังที่มันแข็งแรงหน่อยนะถ้าปี๊ดธรรมดาอะไรหมดกนเขาไม่ได้เขนต้องแข็งแรงหน่อยแล้วก็ปืนมาสุมเลยรใช่ไหมครับแล้วก็เผาเผาไปเผาหนึ่งรอบรับทําอย่างนี้แหละจึงครบครับคบห้าก็ถึงจาได้แห้ไปนะครับที่ผมระบมเมืก่อนมันใช้น้ำมันเครื่องเลย บ่ามก็เลยดำดีครับถึงทุกวันเนี่ยนะก็ยังดูดำดีครับท่ามก็ข้างนอกนะจ๊ะน้ำมันเครื่องทาถาข้างนอกครับคาถาของระบบครับจะไม่ใช้มือจับนะใช้เส้นด้านี่ครับเอาน้ำมันเครื่องเลียสีดำสีน้ำมันเครื่องเทลงไปนะครับแล้วเส้นด้านปะปานะครับอื่ครับผมไม่มีอุปกรณอะไรเยอะหรอกนะเราก็มีแต่ แผ่นสังกะสีรองอก่อนนะครับการพื้นดินกลางอะไรนี้นะแล้วก็เอาก้อนอีกสามก้อนมาวางมีสามเศร้านะครับแล้วก็บาดนั่นแหละที่ทาก็จริงวางก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วก็ทาแต่ตอนแรกเขาต้องล้างบาบให้เรียบเลยนะไม่มีรอยนิ้วมือเลยนะครับเพราะระบบมันะมจะติดออกมากด้วยมันจะไม่งานไม่ดีนะเนี่ยนต้องไม่มีรอยน้ำมันต้องแห้งหมดเลยนะครับเอาทรายดไว้แล้วก็เนี่ยสามเ้าแล้วก็บัดบาแล้วก็ทากันแหละข้อนะครับ แล้วก็ซูมไม่มีทายเลยครับอาจข้างในทางพาะข้างนอกอยดีครับแล้วระบอกไปก็ไม่ได้ใช้เวลาที่มันเพิ่งคืนนี่เขาระบอกกันนะใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณเท่าไหร่นะทำมันประมาณห้ามงเย็นหรือว่าห้าโมงกว่าเลครับไปเอามาได้ประมาณเวลาไนสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้คก็ไม่นานนะครับใช่ใช่ครับาจครันี่แหละแล้วก็ไปเอามา ออกมาเอาไว้ตอนแรกนีะครับมือข้างในนะสีมือนทับทิมเลยนะครับยังสวยเลยครับสีเลาะม่วงๆผ้าตาลครับม่วงๆเหมือนกับไอ้ลุกทับทิมนครับมืนก็ไม่ทับทิมเนะม่วงๆแดงๆอย่างนั้นนะครับอื่ครับเข้าม่วงแดงนะครับออกมาอย่างนี้นหลยพอใช้ไปแช่มันก็เริ่มลอกเริ่มลอกแน่นอนแต่ข้างข้างนอกก็จะดําดีมากครับออื แล้วก็บ่มกีเดียวนะใช้ตลอดนะครับค่ะเพราะจะทาอีกครับึอนนั้นพิธาวอนคิดว่าจะทานน้ำมันงาให้เต็ ไ, ไม่แน่น่าจะทั้งสองที่นะครับไม่แน่ใจต่อไปนะครับอันนี้ได้แล้วนะเราระบมราอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าว่ามีบาดเก่าอยู่นะครับควรถอนบารเก่าก่อนเพราะมันจะดิษฐานนด้แา่บาดียวนะ อธิษฐานภายในสิบวันนะครับก็ถ้าว่าบาสนั้นมีมูลค่าที่จะต้องให้แม้เพียงการนิกหนึ่งเหนืออยู่บาสไม่ควรจะนํามาอธิษฐานและเมื่อยังไม่ได้ถอนก็ไม่ควรวิกลจะเอาบาสไปวิกลต้องมีการถอนก่อนนะถึงวิกลได้เอาว่าเมือนยังถามก่อนนะครับอันนี้นัไม่ได้พูดถึงการอธิษฐานบาสนะก็เหมือนกับที่อธิษฐานจีวรนะครับเปลี่ยนเป็นจีวรแล้วเป็นปักตังนั่นเองนะครับ แล้วทิฏฐามาอว่ามาินหยีห า, าบาทั้งหมดนะครับแล้วก็ทิฐาว่าอิมังปัตตังอาทิษามินะครับถ้าเป็นคถาถออธิษฐานะครับอิมังปัดตังปัจจุทารามินะครับถ้าเป็นคำวิ ก, กับบานะครับอิมังกัปปิอิมั ง, มงปัตตังต้องตุยฐางก่อนนครับตุยหังวิ ก, กัปครมิ อิมังกับปังตึงหาวิกลัลเตมิขา้าพเจ้าขอวิกัล บ, บ, บาบานายนี้แก่ท่านนะครับเนี่ยต้องมีตุ้หาวเลนะแก่ท่านเนี่ยจำได้ไหมครับถัดไปลักษณะแห่งการถอนและอธิษฐานในเรื่องของบาสนี้เพิงทราบโดยในดังกาบมาแล้วในจีวรวรักนะครั บ, นะรบส่วนลักษณะการวิกัลตักกล่าวข้างหน้าท่านจะอธิบายนู่นในปลายปีนู่นการวิกัลนะ ควาในที่นี้ ท, ท่านกอธิบายนะท่านจะอะไรถ้าไปไ เ, าเจอสิเดียวมันเนกี่ยงการมิกลับเมื่อี้ก็พูดไปแล้วนะอิมังกับปังตุยหาวมีกลับไปนี่ที่นี่ครับตอนในจีวงก็ได้พูดไปแล้วนะครับแต่นี้ข้างหน้านะในไปอีกทีท่านจะอธิบายในละเอียดในอี่นี้ต่อไปนะครับรนี่แต่ถ้าพิสูบบางรูปที่ไม่มีบาปนะครับไม่มบาปสบายเล ย, ย, เลยพอได้บาปมาสิบใบหรือว่าสิบรูปนะแต่ เขาเียว่าเป็นใบหรือเป็นลูกนั่นจะเป็นลูกหน้าใบใช่ไหมเขาบอกว่าสมัยเนี่ยเขาใช้ศัพท์นี่นะครับเขาเรียกว่าคาอะไรนะเขาใช้ศัพท์ไม่เคยถูกนะครับไข่ก็เรียกเป็นใบไข่มันต้องเรียกเป็นฟองใช่ไหมคำสรรพนามไม่ถูกนะครับเมื่อก่อนเป็นฟองเอาไปมาเป็นลูกเอาไปมากลายเป็นใบตัวสายใบเนี่ยเข้าดูุาการที่มาไปทอดแล้วนะครับ หมอใบใบนะถ้าเป็นลูกมเสือนี่มันเป็นลูกใช่ไหมเป็นฟองก็จะคิดว่าเ อ, อ้าข้างในเป็นฟองนะแต่ว่คนไทยสมัย่อยุธยาว่าฟองนชหครับไข่เนี่ยฟองสองฟองตอนียหนังสือนะแต่สมัยเนี่ยหนึ่งใบใบนลากี่บาท <c oughs> เป็นเจอเป็นใบนครับแต่ไม่เป็นไรครคนไทยภาษาไทยนี่แหละนะตอนเองผู้เดียวนะครับต้องการจะใช้บาททั้งหมด สิบลูกลนะนะสิบใบต้องการใช้คนเดียวนะครับควรอธิษฐานให้เป็นบาทหนึ่งใบในวันต่อมาก็ถอนบาทนะาทั้นอธิษฐานบาทอยู่ น, นะครับด้วยวิธีอย่างนี้ก็จะสามารถที่จะใช้สอยได้ตลอดร้อยปีครับแพนะราว่ามีสิบใบเนะี่ยเราก็อธิษฐานใบแรกก่อนใช่ไหมไอ้ที่เหลื อ, อยังไม่อธิษฐานพอวันวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ถอนใบนี้แล้วก็อธิษฐานใบใหม่ นี่บาทสิบใบเนี่ยมันจะไม่มีใบไหนเลยที่เก็บไว้เกินสิบบาทอย่างมากมันจะแค่เก้าวันและเราก็จะได้อธิษฐานเป็นบาทขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะ่ามีสิบใบพอดีเนี่ยมันต้องได้อธิษฐานใบหนึ่งที่ไม่หมใบที่เด๋อคือเก็บไว้นะครับพอวนไปวนมาเนี่ยจะไม่มีใบไหนในที่เกินสิบวันอย่างมากแค่เก้านะครับโอ้แต่ลราบาทนะว <c oughs> นไปเวนมาเดีนะะ๋ยวอธิษฐานเดี๋ยวถอ ว, วันต่อวันเลยนะ กันลืมมาครับใช่ไหมครับค่ะสุดท้ายเลยสุดเลยนะมีมาที่ข้ะจานนะครับที่บาทนั้นจะมีการจานอาคาระจานอะไรลงไปนะครับอส่วนบาทใดมีช่องทะลุโดยมีช่องประมาณที่แกรนะครับสามารถลอกออกมาได้ในสมถะก็พูดถึงว่าแม่เข้าฟ้าง น, นะครับ อันนี้พูดถึงการขาดิฐานของบานะขาดบาสนี่จะขาดิฐานเพราะว่ามีช่องทะลุนะครับสนามลม่เข้าฟ้าหรือหลอดไดต่พอหล่อถ้าบอกว่าบรรดาธรญมชาติเจนะ็ดอย่างเนี่ยไม่เข้าฟ้างเป็นไม่ค่าที่แรกที่สุดครับเนี่ยแค่ว่ามีช่องทะลุแค่นั้นนะอันนี้ก็ถือว่าบานั้นขาดิฐ า, านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอ้องติฐานขึ้นมาใหม่นะในที่ใดที่หนึ่งนตั้งแต่ที่ประมาณสองนิ้วจากขอบ บาดลงไปนะครับแต่ขอบางลงไปสองนี้แต่ตรง น, นั้นเห็นไหครับมันมีอยทะลุอย่างนี้นะครับถือว่าขาดอธิฐานแล้วบาด น, นั้นไม่เหมาะที่จะาานํามาอธิฐานเมื่อปากรอยทะลุแล้วอธิษฐานได้อีกนะครับก็มาอธิฐานาการละอธิฐานที่เหลือมีในหลังกาไปแล้วในเรื่องของลายจีวรครับอ้าวดูอีกทีหนึงนะครับบานานี้ว่าจีวรจะขาดอธิฐานคล้ายๆกนันนะเนี่ มีอะไรบ้างครับที่เป็นเหตุให้ไตจีวอนหาที่ฐานครับครับหนึ่งนะครับมีช่องคะลุก็เหมือนกันอืมถ้าถูกเชิงเอาไปอตรงนี้นะก็ขอให้แก้นะคราว่าขลิตเรศีนะครับหมายถึงวียนเป็นคนเลวครับครับตรงต้องมุกี้นะ ไปแก้ด้วยนะครับในจีวรละ ว, ว่าดข้อนั้นน่ะเขาเขียนไว้่อไรนะว่า <c oughs> ว่าเขาหิุดเลยนะครับสามนั้นไม่ใช่เขาหลุดเลยสีนะครับโดยดูตากมานีนะเป็นการ เ, าเป็นคนเรวนะครับไอลักษณะการเีเป็นคนเรวนี่เั็นที่หน้าหนึ่งร้อยห้านะครับหน้าหนึ่งร้อยห้าตรงกลางขานตีฐานข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่เนี่ยดูตรงนี้นั่เราก็รู้หมดเลยเนี่ย คาณิชาน้เห็นแปดอย่างใช่ไหมครับหนึ่งให้แก่บุคคลอื่นสองถูกเชิญเอาไปสามถูกถือเอาไปโดยวิสาสะ 4. ีเวียนไปเป็นคนเลวเวียนไปเป็นคนเลวไม่ใช่เสริกนํามันเสริกมันมีข้อนึ่งนะใช่ไหมเวียนเป็นครับ เวียนเป็นคนเรวครับเรียนครับไม่ใช่เปลี่ยนเรียนครับจใช้คำว่าเวียนหรือว่าหันก็ได้ครับแันเป็นคนเร็วครับหมายความว่าไม่ใช่ครันอาจไม่ใช่ข้อดีเดถีนีครับหมายความว่าท่านไปทําประลาชีพแล้วก็ไปปฏิญญาณให้ขลิขันออกไปเลยไมนกลับเข้ามาอีกนะอันั้นคือว่าขายความเป็นผับแต่แกไม่ได้สึกนะแต่แกไปทําประลาชีพนะแล้วแก้ผ้าแก้ผ่อน เป็นุ่งผมเป็นคาราวาสติญญาเป็นโยมออกไปเลยครับเป็นปราีถนะเขาไม่ได้สืบนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าวีว์เป็นคนเลวใครได้ยินสำนวนนี้ไหมคลายความเพียรวีเป็นคนเลวนะะี่รับ <c oughs> <c oughs> ไปทำปะลาสิกนนะครับนี่อาจจะเสร็จไปถึงแล้วก็ไแล้วก็ตายครับลาสิกขาห้าราสิก ข, า, า, า, ขานะนี่ก็ขาหกตายเจ็ดเพศกลับแปถอนก็ก้าก็มีช่องทนลุขนาดเัเล็ดเข้าปนะครับ ข้าเจ้าทรงพาเราพวกไิสู่เชโกกีในเมาาืองสามัคคีทรงบัญญัติไปแล้วเพราะเหตุคือการเก็บอดิเรกบาตไว้สิขาวันนี้เป็นอาสาธารณะบัญญัติของพิษุณีเนี่ยไม่ใช่ น, นนะต้องเป็นสาสาธนบัญญัตอ้ออาสาธนบัญญัติครับขาพิสุณีก็มีไม่ใช่จะดูสั์แสงกันนะสาบนั่งสับนั่งของพิษุณีก็มีการสั่งสมบาตรเป็นนิสัยเกี่ยวกันนะครับ อาสาธรรมณะก็เป็นอาสาธรรมณะนะครับเป็นอาสาธรรมณะบัญญัตินะครับพิสุนีไม่นะเป็นลักษณะอของพิสุนีใช่ใช่ใช่พิสุนี้เขาเก็บไว้ไม่ได้เลยไหมแต่วันนะครับแต่ของไพ่เก็บไม่ได้สิบวันนะก็เลยว่าเป็นอาสาธรรมณะบัญญัตินะครไม่ไม่ไม ท, ทั่วไปแบบพิสุนีนะนะครับแนวทางการอธิบายนอกจากนี้ พึงทราบโดยในดังกล่าวไปแล้วในสิกขาบทที่หนึ่งแห่งจีวรว่าว ะ, ะไรถ้าก็ยังดีใช่มหมยังเก็บไว้ได้สิบวันนะครับแต่วิสุทธินี้ก็ไม่ได้เะยครับนั่นก็ไม่ได้วันนี้นะจะแจกชี้ให้อีกแห่งนะครับอีแท่นนี้นะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธสิกาสขาบทนะคือข้อที่สามี่เราจะได้เรียนต่อไปครับ <c oughs> อันนี้เกี่ยวกับยาเนะี่ยมีลายละเอียดมากเหมือนกันนะ ให้ใส่ใจให้ดีนะครับสใสจะให้ดีนะเดี๋ยวมันหลังหลังมันท่าใชครับก็จะมาเติมกันแต่แค่ไม่มีปัญหานะมันจะจบทันอยู่แล้วนะครับไม่เท่นไหรนะบางข้อก็ยากบนาะงข้อก็ง่ายนะแต่ว่างนี่ก็ใส่ใจให้ดีหลายๆขอ้ออันที่ยากเพราะว่าเราไม่ก็ได้คุ้นเคยนะ้วบาง่าบางอย่างไนะ ม, ม่ค่อไม่ค่อได้ใช้แล้วนะก่อนเดือนีม้มก่อนเดนนี้นะนะ อืมครับแต่ว่าเนี่ยที่ยากเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วถึงแล้วไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าคําที่บาลก็ยังนะไม่เซ็ง น, นะครับอาจารนี่เลยอันนี้ในชิ้นนี้ที่ที่แจกให้เพราะว่าเขียนสรุปมาให้นะครับตอนงานสัมมนาวินัยนเนี่ยผมว่าใช้แผ่นนี้นะที่เปบรรยายแป็นิบายนครับเพราะว่าเกี่ยวกับเพบจศัพท์ที่แจกที่บาลละเอียดนะร้ายแนหล้ายแบกนะครับแต่เขียนสรุปมาให้เนี่ยดีนะมันก็ทํา หลุปมาเลยให้เข้าใจง่ายๆใช้คำพูดน้อยลงนะครอะไรได้รู้ละอ๋อเก็บน้ำมันถั่วเหลืองไว้เป็นอาบัตอะไรน้ำมันถั่วเหลืองไม่เกินเจ็ดวันใช่นะครับถ้าเราเก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้พูดจะฉันเนี่ยไม่เป็นนะครับที่เป็นอาบัตนิสติกีเพราะว่าเก็บเพสสาวิเกินเป็ดวันเพราะเก็บไม่จะฉันนะครับเก็บไม่บูชาเกลียอะไรก็มันเป็นนะครับ อละ น, นี้ก็แค่นี้เก่อนนะครับในทาริสุดนี้ขอความเจร ง, งอกงามในครรมนันของพระสัมมาสัมพุทเจ้าจงจะทิ้งหลายด้วยกันทุกท่านเธ อ, อ